พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่ายาตีลังกากลับหลังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17 กรกดาคมพุทธศักราช2559วันนี้ขึ้น13ค่ำเอีกไม่กี่วันก็เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอาสารหบูชานี่13ค่าวันที่17วันที่19เนีเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่20เป็นวันเข้าพรรษานคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนวันอาสาฬหบูชาสําคัญชะไหนฮะ บางทีลูกหลานมีแต่มกมุ่นในการทําการทํางานก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไม่ได้พูดได้กล่าวให้ฟังเผยเผอฟังทางวิทยุกัฟังอยู่แต่ฟังหูซ้ายจะลุกหูขวาไปไม่ได้ใส่ใจสนใจแต่ตามไม่จริงวันในทางพระพุทธศาสนาทว่าใครสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ววัน อาสารหะบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านพระองค์ก็ได้เดินทางไปโปรดจัปัญจวคีทั้งห้าเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระสงฆ์เมื่อปัญจวคีทั้งห้าได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งใจฟัง อย่างนั้นก็เข้าใจในหลักธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านก็ได้ปฏิบัตินึกตามปฏิบัติตามในขณะที่ฟัง่พระอัญญาโกนธัญะที่เป็นประธานปัญจวคีทั้งห้าที่เป็นผู้ใหญ่ได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นท่านแรกก็ได้ขอบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ เกิดขึ้นวันที่19เนี่ยคือครบรอบ2559ปีให้หลังพระสองฆ์อุบัติขึ้นในโลกคือครบพระไตรสาระคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครบที่พวกเรายึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญได้ตัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมพทธิยานได้ตัดสรุ้พระธรรม พระธรรมก็คือคำคำสอนที่พระองค์ได้ตัดตรู้แล้วก็เข้าไทยเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องราวต่างๆจากนั้นก็พูดออกมาเป็นภาษาแนะนําสั่งสอนเรีวยว่าพระธรรมคือคําสอนจากนั้นพระสงฆ์ก็คือนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่แนะนําสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจในอัตในธรรม อันนี้เราว่าพระพระสงฆ์เพราะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพราะท่านผู้ดีผู้ดีพระพุทธเจ้าก็เลิศประเสริฐพระธรรมก็ออกมาจากท่านผู้เลิศประเสริฐพระสงฆ์กับผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลิศประเสริฐนะครัว่าประเสริฐยอดยิ่งเพรหมดจดจากกิเลสเพราะนั้นเราจึงยึด ผู้ที่เลิศประเสริฐเป็นตัวอย่างสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ้าในพรรษาที่จะถึงเนี่ยแต่เมื่อวานลุงพ่อวันก่อ น, อนลุงพ่อเขาพูดแต่มาวันนี้ลูกหลานกลุ่มใหม่เข้ามาคงไม่ได้คงไม่ได้ยินที่ลุงพ่อพูดเมื่อวานเพราะนั้นหลุงพ่อพูดให้ฟังอีกในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราจะทําอะไรปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างไรจะให้เป็นคนดี ไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตักตวงคุณงามความดีอะไรไว้เลยไม่น่าไม่น่าจะถูกนะลูกหลานะเนแปลว่าเป็นผู้เปล่าประโยชน์เหมือนกับแม่น้ำโขงไหลลงมาจากเมืองที่เบตจนถึงเมืองกัมพูชาประเทศเขมรเราไม่ได้เอามาใช้เลยไม่ไดเอามาตักรถพักรถยาไม่ไดเอามาทำไรทำนาเลยน้ำไหลไหลไปอยูงั้น มันก็เปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลมันก็ไหลไปพ้นที่สุดก็ตายไปก็จบ เ, เพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตัวพวกเราได้เกิดมาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีบุญแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานล่ะหมดโอกาสนะเพราะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วก็พร้อมกันเป็นผู้โชคดีอีกได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนอย่างไรที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สาคัญชไหนนะนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราได้พบพระธรรมคําสอนแล้วพระองค์สอนอย่างไรสําหรับครวญญาติโยมที่ท่านสอนมีหลายอย่าง พวอเราได้ศึกษาธรรมะแต่สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์องค์ไหนท่าจะหยิบยกขึ้นมาแสดงเดิน ม, มาพูดให้ฟังแนะนําให้ฟังในจุดนั้นๆถ้าหากว่าจะเอามาพูดทุกจุดนั้นพระธรรม 84% 00มพระธรรมขันธ์ไม่ใช่ของเอามาพูดได้ไง่ายๆถ้าพูดขึ้นมาบางทีก็คุ้มเคย อ, อีกต่างหากไม่รู้พูดจุดไหนจุดจุดไหนอีกต่างหาก พวกเราก็ฟังเข้าไปก็สับสนอิจฉาเบื่อในการฟังอีกต่างหากทีนีเ้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เห็นว่าพวกเราจะเข้าใจในจุดไหนที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่าใจใจใจของเราได้ท่านก็เอายึดจุดนั้นมาขยายผลมาตีแผ่มาแนะนําพวกเราอย่างในพรรษานี้พวกเราจะยึดอะไระยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหะ เป็นจรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นเราก็ไหว้พระเมื่อยึดเฉยๆนะไม่ได้นะต้องแสดงความเคารพคารวะ ด, ด้วยแล้วก็ต้องกราบไหว้พระทุกวันคือกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบรไตรสารนคมนั่นแหละพุทธังธรรมงสังขังสารณังคขจ า, ามีแล้วก็กราบพุทธโธกราบธรรมโมกราบสังโฆกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็ น, นนะโมตัสสะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็อรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตสุปฏิปโนจากนั้นก่อนเะน่อิติปิโสสุดแท้แต่เราจะสวดอะไรได้นะแต่สรุปแ้วก็คือเป็นการ ส, ร, สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สรรเสริญท่านผู้ดีผู้เลิศประเสริฐในจิตใจของเรา จากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลอันนี้อยาได้ขาดในพรรษาได้ไหมสามเดื อ, น, อนนี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะลูกหลานนะแต่ถ้าศรัท ธ, ธาญาติโยมนะให้ทำทะดดำได้แล้วหลวงพ่อว่าเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับชีวิตของพวกเราพวกเราไหว้พระทุกวันเราจะภาคภูมิใจอีกส่วนหนึ่งเมื่อจบไปแล้วนะแล้วก็ทาตลอดไปอีกต่างหากแล้วก็สอนลูกสอนหลานอีกต่างหาก ให้ลูกหลานก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระเนอะจะไม่ฝันร้ายจะฝันดีพูดผีปีศาจจะไม่กล่อมกลายพรละเรายึด พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งนะอสอนลูกสอนหลานเขาเพราะอะไรจึงพูดอย่างนั้นเกินนีนะในครั้งพระพุทธเจ้านะท่านยังยกเป็นตัวอย่างให้ฟังอสองพ่อลูกไป ขนฟืนในป่าชานะ้าพอไปขนฟืนในป่าชา้าเลยวัวมันขโมยหนีกลับบ้านฮนะพ่อก็เลยวิ่งตามวัวมาผลได้จุดเข้ามาในเมืองกลับไปไม่ได้ที่เขาปิดประตูเมืองฮะนะพอได้วัวเนละยผลได้จุดกับลูกชายตัวเล็กๆ น, นอนอยู่ในป่าชานะ้าพวกอมมนุษย์คือคือพวกผีกระสือนะมาหากินซากซากศพผีคนซากศพคนนะ ก็เห็นเด็กน้อยมันนอนอยู่ใต้ถุนเกวียนอไปเอ๊ะไปกระตุกขามาเล่นใช่ไหมเด็กคนนี้พอมากระตุกขามาเด็กน้อยคนนั้นกัพุโทโธธรทมโมสังโฆเนี่ยเพราะว่า พ, พ่อสอนให้รละลึกถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งถึงจะหลับและตื่นยังไงก็ต้องให้ระ ล, ลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆจะระลึกถึงพระไตรสารณคม เอเพียงแค่นั้นนะท่านเองามนุษย์คนนั้นแปลว่าเป็นผู้มีโทษนะท่อ่า เ, เป็นผู้กระทาที่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอา่าเอามนุษย์อีกคนหนึ่งเป็นสัมมาทิฐิไม่ได้นะถ้าว่าเธอไม่คารวะเขาน่ะไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสามีจิกรรมประพฤติชอบนอ่นถ้าเราไปเข้าสมาคมอ่ผู้ใหญ่เขาเนี่ยเขาจะตําหนิเขาจะลงโทษนะ การกระทาเช่นนี้นมนุษย์คนนั้นก็ได้ไปหาอาหารอยู่ในเมืองมาให้เด็กคนนี้กินเด็กน้อยก็ตื่นขึ้นมาก็กินมัวเมียก็กินอาหารพอ<ม> <c oughs> ตื่นขึ้นมาแลวก็กินอาหารก็หลับไปเอกของมันเด็กน้อยผลที่สุดภาชนะทองคาอยู่ในจานจานที่ทอมนุษย์ขโมยมาจากเวียงวังก็มัดอยู่ที่ตรงนั้นจากนั้นก็ตอนเช้าก็มีคน โวยวายโบกเวกว่าของในเวียงวังหายไอภาชนะทองคำของพระเจ้าแผ่นดินหายไงเขาก็ค้นหา เ, นเขาก็เก่งยังไงวะค้นมาหาจนมาเจอกับเด็กน้อยอยู่ที่ป่าช้าถามเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องผมว่าไม่ใครเอามาให้กินผมว่าพ่อเอามาให้กินกลางคื น, นทางผู้พ่ออยผมไม่ได้ออกไปผมประตูปิดอยู่ผมมาเอาวัวผมไม่ได้ออกไปนะ คงจะเป็นใครของไม่รู้แล้วมันพอเนื้อโก็เลยถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอันเนีนะ้เป็นอมนุษย์เนะนี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือจุดเด่นหรือว่าจุดที่หลวงพ่อจะชี้นําให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือว่าจุดว่าพวกเราเป็นนอนนัสถานที่ใดพักนัชสถานที่ใดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งผีสางนางไม้อะมนุษย์ทั้งหลายไม่มากล่ากลายเพราะเรามีพระไตรสารณคมเป็นที่พึ่ง หลับและตื่นเป็นสุขไม่มีอะไรเข้ามาไม่ไม่ฝันร้ายในเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์อันนี้แหละคือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านจึงแนะนําบอกกล่าวให้พวกเราไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนเนินลูกหลานเนอนี่แหละจากนั้นก็มากกว่า น, นั้นก็เออเอาในพรรษาเนี่ยเข้าไปเจ้าจะงดกินเหล้ากินเหล้าเข้าพรรษาเราจะงดไม่กินละเพราะกินมากกับมีแต่ มีอะไรมันไม่ไ ม, มีไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เรื่องซวย <c oughs> ถ้ากินเหล้าไปนั่นแนหะปากก็ไม่ดีไปด่าคนอื่นเนะ่ยมีแต่ซวยเเผลอๆยังทะเลาะกับลูกกับเมียกับพี่กับน้องอีกต่างหากเนะนี่ยวันนั้นในพรรษานี่ยข้าพเจ้าจะงดอสุรางดบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่หมอเขาพูดเขากล่าวนะเราก็ต้องเชื่อแม่แพทย์เชื่อหมอเขานะ ไปถามเลยสิหมอคนไหนแพทย์คนไหน ก, ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะแต่พวกเราไม่กลัวพอเราไม่รู้ไม่รู้พิษพิษสงของมันพิษบุหรี่คืออะไรอนะแต่บางทีพอเผือกับหมอก็สูกบุหรี่ให้คนเห็นอีกเหมือนกันนั่นแหละทั้งที่มันเป็นพิษผอหมอก็อดไม่ได้ใช่ไหมแต่พวกเราถ้าอดได้ก็อดจะเพราะอลไยเพราะว่าบุหรี่มันแพงเหลือเกินทุกวันนะถ้างดได้ก็งดสูบบุหรี่สั ก, ก็ดีนะแต่งดไม่ได้เออา สุดแท้แต่นาน า, นาจิตตังนานาทัศนะหลวงพ่อจะเป็นผู้แนะนําพอหลวงพ่อไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่หลวงพ่อจะพูดให้ลูกหลานฟังก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนฮะพอหลวงพ่อก็ไม่ได้ทําสิ่งนั้นนะแล้วก็ภาคภูมิใจอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําในจุดนั้นอันนี้ก็คือศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งมากคนนั่นก็ไปคละวะเรียกว่าไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ของเรา พกวันเสาร์วั น, าวนอาทิตย์ได้ไหมเขาพาครอบครัวไปเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆนะอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมพ่อตาอาทิตย์หน้าไปเยี่ยมปูย่ย่าเนี่ยเหมือนหมุนเวียนกันในพรรษานี่เอาเถอะเราตั้งจิตอนะธิษฐานเหมือนย่างไงข้าพเจ้าจะหมุนเวียนไปเยี่ยมผู้เฒ่าพ่อแม่ของเราให้ได้นี่แหละถ้าว่าเราไม่ตั้งจิตอย่างนั้นมันเดี๋ยวเผลอเลอไปได้ไง่ายๆเหมือนกันนะถ้าเราตั้งจิตแล้วอื ทุกเาสาอาทิตย์เนี่ยเราต้องไปหรือว่าเดือนหนึ่งอย่างน้อยไปสักครั้งหนึ่งไปเยี่ยมคุณพ่พอคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยของลูกหลานของเราลูกๆของเราเมื่อเราพาไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเามื่อเขาเป็นได้รับการเรียนรู้วิการศึกษาจากพ่อแม่เมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เขาก็จะได้เดินตามหลังที่พ่อแม่พาไปเยี่ยมปู่ย่าตายายนีย่แหละการปลูกฝังอุปันิสัยหลวงพ่อเล่าแล้วพูดอีกว่าอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกหลานดูมีใชยว่าพ่อแม่ก็ไปทางหนึ่งพ่อก็ไปตีกอลแม่ก็ไปเที่ยวตลาดแต่ละวีแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ไม่ได้สนใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองเลยพอ ตัวเองเท่าแก่ชรามาแล้วกัอยากจะให้ลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องคิดถึงลูกคิดถึงหลานอะไรสแต่ลูกหลานก็ไม่มาหาไม่มาเกี่ยวข้องเ้วก็เป็นทุกข์กับเขาเพราะตัวเองสอนเขาสอนเขาแต่สมัยเด็กน้อยนะไม่แนะนําเขาไม่ในทางที่ที่มันจะเป็นไปตัวเองทําตามมัจาใจทําตามอําเภอใจลูกหลานของเราก็เดินตามพ่อแม่นะนะั่นแหละเราอย่าเสียใจ ในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราต้องเออกรรมของกเออูเราต้องคิดอย่างนั้นนะคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนเ น, นี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้หลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวแต่สําหรับผู้มาปฏิบัติธรรม อ, อจะสู่เข้าวัดวาศาสนาผู้มาปฏิบัติธรรมอย่างพระออลูกผ้าหลานก็เหมือนกันเข้ามาบวชอ อ, อย่าไปน้อยน้อยเนื้อต่ําใจเ อ, อเราเข้ามาเนะี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเราควรจะสางาพาเผยคนจะ มีน้ำใจควรจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าเห็นไหมท่านอยู่ในเวียงวังท่านยังหนีออกไปบวชในปาในป่าไปบำเพ็ญถึง6ปีก่อนก่อนที่จะดีก่อนที่พระองค์จะออกไปพระองค์ก็คิดดีซะก่อนคิดดีคิดทุกอย่างทุกอย่างรอบคอบมั่นใจจากนั้นพระองค์จึงออกไปบวชพอออกไปบวชแล้วก็บำเพ็ญอยู่6ปี คำว่าคิดถอยหลังไม่มีบีแต่จะหาทางพ้นทุกข์ในวัตะสงสารเพราะคิดดีแล้วนะ เ, ออเมื่อก่อนที่จะออกไปเราก็คิดดีแล้ว น, ะนี่แหละการคิดดีแล้วนะคือเจตนาดนะีคนที่เจตนาดีเบื้องต้นนะ อ, อแล้วก็สู้ต่อไป เ, ออเจตนาดีเอาไปตามที่เราได้คิดไว้ดีแล้วนั้นนะแต่เมื่อต่อไปภายภาคหน้านะกิเลสมันเข้ามาแล้วนี ตีกิเลสเข้ามาตีตลบ อ, อบางทีก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดเรื่องจิปะทะร้อยแปดพ่อแม่ปูย่ย่าตายายอะไรมันดีไปหมดเลยนี่แหละอันนั้นก็คือมันแฝงเข้ามาเลยกิเลสแฝงตัวนั้นนะต้องระวังนะกิเลสแฝงตัวนั้นนะเพราะเหตุอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์ก็คิดดี อ, อข้าไปเจ้าจะไม่ถอยหลังตายดาบหน้า อ, อจะไม่กลับมาแล้ว ในโลกเนะี่ยข้าพเจ้าจะบำเพ็ญให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารแต่พอถึงนั่นนะ่ะโค้งสุดท้ายกนะ็พระองค์ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าบนะําบำเพ็ญ น, นั่งขัดสมาธิคืนที่จะได้ตัดรู้ก่อนหน้านี้ก็คงจะมีมัอนกันแต่ไม่ไม่รุนแรงนะแต่คืนที่ตัดรูนะ้เนี่ยรุนแรงมากนะพยาบาลพยามาลยกทับมาพยามาลพร้อมเสนามานัน และกับนางตันหาราคาอรารดีเข้ามารบกวนอันนี้เป็นธรรมมาที่ถาดพระองค์อยู่ในป่าขณะนั้นจะมีจะจะมีอะไรใครจะยกมาใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าจะยกทัพยกช้างยกมา้ามาพระองค์จะมีอะไรมีศัตราอาวุธสู้อะไรยพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิีพอนั่งขัดสมาธิเข้ามากขนาดพยามาณก็คืนนั่นนะเออปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวจะปฏิปทาร้อยแปดวนันเนียพยามาณเนี่ย พอเส็จแล้วนางในใจของเราก็คิดถึงเวียงถึงวังนะประเดี๋ยวถึงคิดคิดถึงความสุขสมัยก่อนอยู่ในเวียงในวงนังนาาสนมนาลีที่พระ อ, องค์เคยสวยความสุขมาในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะพระ อ, องค์ก็คิดไปทางโน้นนะคิดไปทางโน้นก็คือตันหาราคาอารดีล่ะท่านน หรือพยาบาลกันเถอะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเนี่ยพยาวาลมามาตีกายยนครนะนี่แหละพระ อ, องค์ตั้งจิตอธิษฐา น, นแน่วแน่นะข้าพเจ้าคิดดีแล้วข้าพเจ้ามุ่งวางเนี่เลือดเนื้อเชื้อไขมันจะละเลงละลายไปเอาเอะให้มันไปตามแผ่นดินไปเลยข้าพเจ้าจะไม่ลุกเด็ดขาด น, ะนี่แหละจุดนี้เราต้องมีตั้งจิตอธิษฐานนะพวกเราทํามาภาวนานะ ต้องให้จิตต้องจิตตรงแน่วแน่อแต่ขนาดพระพุทธเจ้าเห็นไหมไปบำเพ็ญวันที่จะได้ตัดรู้นระยามาลมาหลังควานน า, นางตันหาราคาอราดีนะอมายโยยวนนะเอถ้าว่าพระองค์ถอยซะหมดเลยพ ว, พวกเราคงจะไม่ได้กราบพระพุทธเจ้านะอพระพุทธเจ้าคงจะไม่ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ในพระองค์เอาชนะ ในจุดนั้นจะน่าใจพระ อ, องค์ในจุดนั้นพระ อ, องค์จึงได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผลในสุกนันนะั้ได้ปฐมได้ฌานเกิดฌานความรู้พิเศษขึ้นมานะปุเพนิวาสานุสติยานจุดูปปาตยานอาสาวัคยายานนี่แหละอันนี้ก็คือพระ อ, องค์บำเพ็ญศินสมาธิปัญญามรรค8จน ได้ตรรู้พระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นะคะนัศัทธาญาติโยมลูกหลานสรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์ไม่ถอยหลังที่ได้คิดดีแล้วในก่อนที่จะออกบวชอ่อนก่อนที่จะออกบวชพระ อ, องค์คิดดีแล้ว เ, เห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นสมณะจากนั้นก็สละราชสมบัติไปข้างหน้าหนีไปอยู่ในป่าทัง6ปีนี่แหละพวกเราให้ยึดพระพุทธเจ้า เป็นตัวอย่างพระองค์บำเพ็ญอย่างไรเพราะฉนั้นพวกเราอย่าท้อแท้อ่อนแอนะถ้าท้อแท้อ่อนแอกิเลตเอาไปกินมดนะ น, นะ เ, เราไปมาอยู่ในปา่ายพอทํากิจวัตรขอวัดเสร็จแล้วตอนจะอ้าไปเขาไปนั่งไปบำเพ็ญอยู่ในปา่าเดินนยกมนั่งสมาธิภาวนาจากนั้นจะมีหนังสือเอาถ้ามันง่วงเหงาเออเอาหนังสือมาอ่านศึกษาบ้าง เ, เพื่อเป็นแนวทางปริยัตเราควรจะศึกษาบ้าง แล้วก็ปฏิบัติลงมือปฏิบัติให้เข้มงวดควรขันประยัดเนี่ยเราเรียนสัก 20- ก 40, 40่0ิบนะแต่ปฏิบัติเอาสักแปดสซลงพ่อว่านะเนี่ยแหละให้ลูกหลานพระเนรสัททายาติโยอุบาสิกาผู้เข้ามาบําเพ็ญเนคขําก็เหมือนกนันนะให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้บําเพ็ญคุณงามความดีถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอ ย, อยู่แล้วอิทิบาต เครื่องให้สําเร็จคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์มีฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความพยายามมีความเพียร ม, มีความพยายามจิตตะเอาใจฝักใฝ่วิมังสาการคลองไตรตองเหตุและผลในเรื่องที่เราจะทำเนี้ยเราจะทํำยังไงจึงจะให้สําเร็จเนี่ยแหละมันอยู่ในจิตใจของพวกเรานะถ้าเราเโดดเข้าไปแล้วก็กิเลสราคะโทสะโมหะ โ, โกรโกรธหลงเข้ามา เหยียบย่ำหัวใจของพวกเราพวกเราเลยนสู้ไม่ไหวนะฮะเพราะในสูตถอยหลังกลับอ่ถอยหลังกลับหลังตีร่างกายต่างหากไม่ใช่กลับธรรมดานะหลวงปูหลาท่านพูดเป็นภาษาอีสานเป็นคําพังเผยของภาคอีสานเนี่ยถอยหลังกํากลุ่มถ้ายถอยหลังกลุ่มกลุ่มพันธ์ิถือหุ่มตายนาพุ่นย่งจีย่องว่าดี หลวงปูล่ลาธัานบอกนะท่านพูดบ่อยๆนะอถอยหลังกลุ่มกลุ่มพันธิถือหุม่มไอ้ข้าว่าเาเราไปทางหน้าแล้วปฏิบัติทำไปแล้วไม่ได้เรื่องในราวเดี๋ยกลับมาโอ้หลบหน้าหลบต า, าก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือพูดองค์อาจกล้าขานข้าจะบวชไม่ซึกอย่างนู้นอย่างนี่พูดให้คนได้ยินใช่ไหมอพอกลับมาถึงกลับมาถึงบ้านกลัวเขาจะลุ่มว่าด่าว่ากล่าวเลย ลบหน้าตาหลบห ล, บ ล, บลบหน้าหลบตาคนนะไม่อยากจะให้คนเห็นหน้าอีกต่างหากนี่แหละใช่ไหมหลวงปู่ลาท่านบอกว่าถอยหลังเมื่อถอยหลังขึ้นมาแล้วถอยหลังกลุ่มกลุ่มพันธที่ถือห่มเหมือยคล้ายว่าคนทัางหลายลุ่มลุมประนามทําไมไม่จริงจังทําไมพูดอีกอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่งถ้าว่าเรามีความเด็ดเดี่ยวนะเลยถ้าพาตายดาบหน้าเนี่ย นักปราดทั้งหลายเขาจะยกย่องว่าเป็นคนดีว่าเก่งเพวกนั้นพวกเราจะเอาอยัางไงสองอย่างนะถอยหลังก็เดินหน้านะพวกนั้นหลวงพ่อเนี่ยต้องเดินหน้าพอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกกล่าวไปแล้วเราพิจนารณ า, นานแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเราจรึงได้ตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดสินใจแบบลอยๆเมื่อไหร่เมื่อเราตัดสินใจแล้วก็เดินตามที่ ประทมคําสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ถอยหลังหไม่เสียหายถามหลวงพ่ออินนี่ก็แล้วกันนะแต่โอ้ยก็ใชายเลยจี้หมาจ่อขางร่วนตัดหางตัวเองแล้วจะให้คนอื่นตัดตามมาันจะไหวอีกแต่หลวงพ่อไม่ได้ให้ตัดตามนะหลวงพ่อให้คิดตามตนเองให้กันกอนไตรตรองด้วยปัญญาเองแต่หลวงพ่อเสียใจไหม หลวงพอ่อโอ้หลวงพ่ออินภาคภูมิใจอย่างมากลูกหลานนะที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาบวชมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถึงปานนี่แนหะหลวงพ่ออินภาคภูมิใจอย่างมากลูกหลานนะพูดได้คําเดียวนะ <c oughs> แต่คําภาคภูมิใจในจุดนั้นน่ะตรงนั้นนะมันเป็นยังไงมันอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อเองจุดนั้นนะลูกหลานถ้าเมื่อทําไปแล้วลูกหลานก็จะรู้ในหัวใจของลูกหลานเองเหมือนกันนั่นแหละนะ ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทันใดเนาะ